การทอดกระถินในส่วนคารวาสนะก็เป็นอันอสิ้นสุดหรือสำเร็จแต่เพียงเท่านี้หลังจากนี้ไปก็เป็นกิจของฝ่ายสงฆ์นะเพราะว่ายังมีพิธีกรรมที่จะสืบเนื่องเกี่ยวกับผ้ากระถินนะที่จะได้ทำให้แล้วเสร็จนะเรียว่าการกระถินนะ ตนนี้ในส่วนที่ได้ญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมกันมาทอดกฐินในวันนี้นะโดยมีเจ้าภาพอยู่หลายท่านนะเช่นคุณหมอวัชรุมเมตรกุลผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทคอสโ o กรุ๊ปและบริษัทดีไอคอนนะรวมทั้งคุณอาทรตันติกุล นะชมรมเพื่อนคุณธรรมโรงพยาบาลบุรีรัมย์และสิทยานุสิท์อีกมากมายนับไม่ถ้วนนะทั่วทุกสารทิศนะมาร่วมกั น, น บ, บำเพ็ญกุศลในวันนี้การถวายผ้ากถินเนี่ยถือว่าเป็นมหากุศลก็ว่าได้เพราะเหตุว่า ปีนึงนะจะถวายวัดใดวัดหนึ่งได้เพียงครั้งเดียวแล้วก็มีเวลาที่จำกัดนะก็คือช่วงหนึ่งเดือนหลังจากการออกพรรษาจนถึงวันลอยกระทงเรียวกว่าเป็นการละทานการละทานก็คือทานที่จำกัดเวลาจำกัดเวลาก็อย่างที่ว่านะคือว่าจะทำได้ก็ภายในช่วงหนึ่งเดือนหลังออกพรรษา ไม่เหมือนผ้ปาป่าผ้าป่านี้ไม่จำกัดเวลานะจะทอดวันไหนเมื่อไรก็ได้นะเวลาใดก็ได้นะแต่ว่าอย่าดึกนักหรือว่าอย่าให้เช้ามืดเกินไปนะทำได้ตลอดเวลาด้วยความที่ว่าเป็นเป็นทานนะที่จำกัดการและวัดแต่ละวัดเนี่ยจะรับกติถิดได้เพียงแค่ครั้งเดียวในหนึ่งปี เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีความสำคัญนะในความรู้สึกของญาติโยมที่อยากจะทำบุญอุทิศถวายให้กับพระสงฆ์แต่สายเหตุที่สำคัญกว่านั้นที่ทำให้การอกทอดกรถินเนี่ยเป็นมหาบุญมหากุศลก็เพราะว่าเป็นทานที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ ก็คือเพื่อส่งเสริมสามัคคีของหมู่สงนะเนื่องจากาการที่พระสงฆ์เนี่ยจะจำบรรษาครบถ้วนสามเดือนถ้าพระสงฆ์จำพรรษาเพียงแค่หนึ่งรูปสองรูปนะก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าพระสงฆ์จำพรรษา ก, กันตั้งแต่ห้ารูปขึ้นไปนะก็ต้องอาศัยความสมักสมาสามคัคคีนะ จึงจะอยู่กันได้อย่างสงบสุขนะดังที่ท่านทราบดูแล้วว่าการถวายภากฐินเนี่ยก็ถวายเฉพาะวัดนะที่มีพระตั้งแต่ห้ารูปขึ้นไปที่มาจากพรรษาด้วยกันนะอันนี้เนี่ยก็เป็นการอนุโมทนาสามัคคีธรรมนะของพระสงฆ์ในพรรษาที่เพิ่งผ่านพ้นไป และขนาดเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมสามัคคีธรรมที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าผ้าที่ถวายเนี่ยถวายแกสงแล้วสงก็มีฉันทานุมัหมอบให้กับผ้ารูปใดรูปหนึ่งอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นเมื่อสักครู่แล้วอนิพ้าตามธรรมเนียมประเพณีเนี่ยสมัยก่อนผ้าที่ได้รับจากญาติโยมเนี่ย เป็นผ้าผืนเดียวยังไม่ได้ตัดเป็นสําเร็จรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของพระที่ได้รับกรถิ่นนี่แหละจะต้องไปตัดนะจะต้องไปไปเย็บนะไปย้อมให้เป็นผ้าที่จะใช้นุ่มหอมได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นแค่ผ้าสบงนะไม่สามารถจะทําไปถึงขั้นเป็นผ้าจีวรเพราะว่ามีเวลาที่จํากัดคือต้องทําให้เสร็จภายในนะ ภายในวันเดียวนะปัจจุบันก็คือหมายถึง24นาฬิกาเพราะนนั้นเนี่ยจะต้องช่วยกันนะพระธิ่าได้รับกฐินเนี่ยนะตามประเพณีตั้งแต่สายพุทธกาลเมื่อได้มาแล้วเนี่ยพระหนึ่งวัก็จะช่วยกันนะช่วยกันทำให้เป็นผ้าที่จะใช้ห่มได้ในสายพุทธกาลเนี่ยไม่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีพระโมคครานาสาริบุตรก็ตามหรือว่าพระอานนท์ ก็จะมาช่วยด้วยนะพระพุทโธองนี้ก็ไม่ได้ถือพระองค์เลยนะมาช่วยหมู่สองอ์ทําให้สําเร็จเสร็จสิน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผ้าที่จะผ้ากรถินที่นํามาถวายเนี่นะจึงเป็นการส่งเสริมสามัคคีธรรมนะและเมื่อผ้านั้นสำเร็จเสร็จสิ้นนะคณะสงฆ์ก็มาร่วมอนุโมทนาเสร็จสิ้นก็เรียกว่ากลางกรถินนะ แต่สมัยนี้เนี่ยนะผ้าเนี่ยเป็นผ้าสำเร็จรูปแล้วนะการที่จะร่วมกันตัดแล้วก็เย็บแล้วย้อมนะก็ไม่มียกเว้นพระบางวัดนะที่ท่านยังถือประเพณีเก่าอยู่ก็จะให้โยมมาถวายแต่ผ้าที่เป็นผ้าเป็นผืนแล้วที่นี่ก็ไม่ปฏิเสธนะพระที่เอา ผ้าที่ถวายสำเร็จรูปนะแต่ว่าก็ยังอยากจะย้ำว่าผ้ากฐถินหรือว่าการทอดกรถินเนี่ยเราต้องไม่ลืมว่าจุดหมายสำคัญนนก็คือเพื่อส่งเสริมสา ม, มัคคีธรรมไม่ใช่เฉพาะสามีสามัคคีธรรมของหมู่สงฆ์ที่จะมาสาครบท่วนไตรมาสแล้วก็รวมถึงสา ม, มัคคีธรรมในการที่จะทำ กฐินนาธารกิจนะหรือว่าการทํากิจในเกี่ยวกับผ้ากฐินให้สําเร็จเสร็จสิน้นอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเท่านั้นนะแต่เป็นการส่งเสริมสามัคคีธรรมของญาติโยมด้วยในสมัยก่อนเนี่ยบางที่บางแห่งเนี่ยก็จะร่วมมือกันทําตั้งแต่ปั่นฝ้ายเลยนะไม่ได้ซื้อผ้ามาแนละแต่ว่าปั่นฝ้ายและทอผ้าแล้วมาตัด เย็บเป็นผื้นให้เสร็จภายในวันเดียวนะที่เราเรียกว่าจุดลกะกฐินนะจุลกะกฐินนี่ไม่ได้เล็กเลยนะเพราะว่าต้องทำทั้งหมู่บ้านเลยก็ว่าได้นะนะเพราะว่าการที่จะปั่นได้นะทอผ้าเนี่ยให้เสร็จในวันเดียวเนี่ยต้องใช้คนเยอะก็เป็นการส่งเสริมสามัคคีธรรมของญาติโยมด้วยนะอันนี้เร า, าต้องไม่ลืมนะว่าจุดมุ่งหมายของกฐินเนี่ยนะก็คือเพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม โดยมีผ้านะโดยมีผ้าเนี่ยคล้ายๆว่าเป็นสื่อนะถึงแม้ว่าสมัยนี้เนี่ยการให้ความสำคัญกับผ้าก็น้อยลงนะมาให้ความสำคัญกับบริวารแทนและบริวารที่คนให้ ค, ความสาคัญมากคือเงินนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเงินจะมากหรือน้อยเนี่ยไม่ใช่เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญนะของการทอดกรถินนะตามประเพณีสมัยพุทธกาล จุดมุ่งหมายก็เพื่อส่งเสริมนะสามัคคีธรรมนะโดยที่ผ้าที่ถวายเนี่ยก็เอามาใช้เพื่อให้พระให้พระที่ท่านมีจีวรเก่าคร่ำครา่าได้ใช้นะโดยที่ผ้านั้นเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากญาติโยมเท่านั้นนะแต่ว่าพระทั้งหลายก็มาช่วยกันทําให้เป็นสบองบ้างทําให้เป็นจีวรบ้างนะซึ่งพระพระพระที่ใช้ พรจีวรแบบนี้ก็ย่อมสำนึกว่าเนี่ยจีวรที่ตัวเองใช้เนี่ยนะมันเกิดจากความร่วมมาร่วมมือของพระในวัดนะเพราะฉะนั้นก็เป็นการย้ำหรือเป็นการเตือนให้ประพฤติตัวให้ถูกต้องนะสมกับที่พระสงฆ์ทั้งวัดนะมีปรัชความปรารถนาดีแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลจนกระทั่งทำให้มีจีวรได้ใช้ห่มนะคนี้อย่างที่บอกไว้แล้วว่า การากทอดกระถิในจุดหมายคือเพื่อความสามัคคีถามว่าสามัคคีไปทําไมนะความสามัคคีเนี่ยนะทำให้เกิดสุขในประการแรกเลยนะปูจจาราตรัสว่าเนี่ยนะความสามัคคีทําให้เกิดสุขสุขอะไรคือสุขใจนะสุขใจนี่ก็สําคัญนะคนไทยสมัยก่อนเนี่ยแม้ว่าจะอยู่กันอย่างลําบากบางปีก็ฝนไม่ตกบางปีก็แล้งนะ ปัจจัยสี่ก็ขาดแคลนแต่ว่าก็อยู่กันได้อย่างมีความสุขใจนะเพราะว่ามีความสมัครคีกันในทางตรงข้ามแม้ว่าจะมีความสะดวกสบายทางวัตถุแต่ถ้าเกิดไม่มีความสมัคคีกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขใจนะอย่างที่เคาเรียกว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากนะคับใจเนี่ยก็ไม่ได้จําเป็นไม่ต้องเกิดขึ้นในในบ้านเล็กๆนะคับใจจะเกิดขึ้นในขลิหะก็ได้ หรือว่าในองค์กรที่ใหญ่โตแต่ว่าผู้คนไม่สมัคคีกันก็เกิดความบีบคั้นทําให้เกิดความรู้สึกคับใจขึ้นมาอันนี้สมัคคีเนี่ยทำให้ใจเนี่ยสบายนะแม้ว่าความเป็นอยู่จะลําลบากบ้างแต่สมัยนี้ความเป็นอยู่ก็ไม่ลําบากแล้วสิ่งที่ผู้คนต้องการคือความสบายใจความสุขใจและสมัคคีเนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญนะที่ทําให้เกิดความสุขอันนี้สุขแล้ว เกิอดอันตายขึ้นตามมาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ไม่ได้ปรัสนาให้คนมีความสุขเฉยๆนะโดยเพราความสุขใจแต่ว่าเอาสุขใจนั้นเนี่ยไปทําประโยชน์เช่นไปปฏิบัติธรรมเมื่อมีสุขแล้วเนี่ยก็ตามมาด้วยสมาธินะความสุขใจเนี่ยมันเป็นตัวส่งเสริมให้การปฏิบัติธรรมการบำเพ็ญเ พ, เพียรเจริญก้าวหน้าอนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผู้เจ้าเนี่ยสอนเรื่องสัปเพยะนะสัพเพยะคือความสบายสบายในที่นี้เนี่ยหมายถึงสบายใจนะแล้วก็ไม่มีความทุกข์กายผู้เจ้าตรัสว่าเนี่ยคนเราเนี่ยจะมีการปฏิบัติธรรมที่เจริญก้าวหน้าได้ก็ต้องอยู่ในถิ่นที่ผู้คนเนี่ยมีความสามัคคีกันนะเมื่อคนมีความสามัคคีกันแล้วเช่นทรงสามัคคีกัน มันก็ทําให้การปฏิบัติน ะ, จะเจริญก้าวหน้าคือไม่ใช่ว่าสมัคคีกันแล้วแล้วมีความสุขแล้วนั่งเล่นนอนเล่นอันนั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์นะของความสมัคคีสมัคคีต้องเป็นไปเพื่อทำนะก็คือส่งเสริมให้ปฏิบัติธรรมนะมากขึ้นทั้งในความหมายที่ว่าร่วมมือกันทําความดีงามนะพอสมัคคีกันแล้วนะจะทําอะไรก็สําเร็จอย่างหลายวันที่ผ่านมา นะพระสงฆ์ก็ร่วมมือกันนะจัดเตรียมสถานที่นะต้อนรับญาติโยมที่จะมาทอดกรถินก็ใช้กําลังคนกําลังพระกําลังแม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมกันมากมายก็สําเร็จได้ภายในเวลาลดที่รวดเร็วนะอันนี้เพราะสายความสมัคคีนะความสมัคคีเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมธรรมในแง่ที่ว่าทําให้เกิดการร่วมมือกันทําสิ่งดีงามให้สําเร็จได้ตามเป้าหมายนะและขณะเดียวกัน สมัคคีก็ยังส่งเสริมการปฏิบัติธรรมส่วนบุคคลด้วยเมื่อสงมีความสมัคคีการมีความสุขใจแต่ละคนก็การปฏิบัติธรรมก็เจริญก้าวหน้าการทำสมาธิหรือการภาวานาก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะพอทำให้สมัคคีกันแล้วนะมีความขัดแย้งกันจะนั่งสมาธินะก็จิตใจก็ขุ่นมัวนะจะเจริญสติก็ปฏิบัติธรรมได้ลาบาก แต่พอไม่มีเรื่องกระทบกระทั่งไม่มีความขัดแย้งกันการปฏิบัติธรรมของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละท่านนะก็เป็นไปด้วยดีนะอันนี้เราเป็นจุ ม, มุ่งหมางสมคัคีคือเพื่อส่งเสริมธรรมนะนนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อแต่ก็ตามที่เราอยู่ในถิ่นที่มีความสมคัคคีมีความสุขใจแล้วเนี่ยก็อย่าพอใจเพียงเท่านั้น ให้ถือว่าเป็นโอกาสนะที่จะได้เร่งทําความเพียร น, นะจะเป็นการทําความดีจะเป็นการทาําทภาวนาก็แล้วแต่พระุทธเจ้าเคยสอนพระสงฆ์สาวกว่าเมื่อใดก็ตามนะที่หมู่สงฆ์มีความสมัคคีกันหรือว่าชุมชนแวดล้อมมีความสมัคคีผู้คนมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอย่านิ่งนอนใจนะให้เร่งทําความเพียร เพราะอะไรเพราะว่าต่อไปในแพ้ภาคหน้าบ้านเมืองอาจจะวุ่นวายข่าวยากหมากแพงผู้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือว่าสงจะไม่มีความสมัคคีกันถึงตอนนั้นจะทําความเพียรได้ลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่วันนี้ยังสุขสบายดีนะบ้านเมืองมีความสงบนะสงมีความสมัคคีกันอย่านิ่งนอนใจอย่าประมาทนะเร่งทําความเพียรซะนะ ให้เราตระหนักว่าสมัคคีนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เพื่อทำให้เกิดความสุขใจเพียงเท่านั้นแต่ยังมีจุดมุ่งหมายที่ต่อไปก็คือเป็นเครื่องมือในการทำความเพียรนะเป็นเครื่องมือในการประพฤติปฏิบัติตนพัฒนาตนคราวนี้การพัฒนาตนเนี่ยหรือการทาความเพียรเนี่ยนะมันมีอยู่สองอย่างนะ อันแรกเรียกสั้นๆว่าทำกิจทำกิจคือการทำหน้าที่นะซึ่งรวมถึงการให้ทานการรักษาศีลนะอันนี้เป็นการทำกิจนะการทำมาหากินการทำหน้าที่รับผิดชอบต่อครอบครัวก็เป็นการทำกิจนะแต่ว่าการทำความดี ด้วยการทำกิตด้วยการทำหน้าที่เนี่ยมันยังไม่พอนะต้องทำจิตด้วยทำจิตก็คือการฝึกจิตฝึกใจของตัวหรือวางจิตวางใจให้ถูกต้องจะต้องควบคู่กันไปทั้งททง ท, งทั้งการทำกิตหรือการทำหน้าที่และการทำจิตนะเรื่องต่างต่างง่ายๆเนี่ยเวลาเราให้ทานเนี่ยขณะที่เราให้ทานด้วยวัตถุเนี่ย มือเราถวายของจะเป็นอาหารจะเป็นผ้าเราก็ทำจิตไปด้วยก็คือว่าทำจิตให้ปลอดโปรง่งสบายนะเพราะว่าถ้าทาเช่นนั้นเนี่ยใจก็เป็นบุญนะอา น, นิสงส์ก็จะเกิดขึ้นทันทีแต่ถ้าเกิดว่าในระหว่างที่เราถวายอาหารถวายผ้าหรือว่าถวายเงินก็ตามนะใจเรานะไปคิดถึง พ่อที่กําลังป่วยนะลูกที่กําลังมีปัญหาตอนนั้นจิตใจเราเศร้าหมองบุญก็ได้น้อยหรือแม้แต่ว่าขณะที่เราถวายอยู่เนี่ยใจเราคิดแล้วนะว่าถวายแล้วจะได้อะไรจะมีคนเห็นเราถวายไหมหรือว่าถวายแล้วเนี่ยจะถูกหวยรวยเบอร์ไหมนะจะได้เกิดความมั่งมีสูงสุดแค่ไหนอันนี้บุญก็เกิดขึ้นน้อยแล้วกับใจเรา เพราะว่าการทําบุญเช่นนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่เรียกว่าทําบุญนะเรียกว่าเป็นการลงทุนนะทำแล้วก็ตามถะวังผลตอบแทนเนี่ยเราเรียกว่าการลงทุนนะไม่ใช่การทําบุญนะทำบุญก็คือว่ามุ่งประโยชน์ของผู้รับเป็นสําคัญหรือว่าถ้าจะมุ่งอะไรที่เป็นประโยชน์ตนก็มุ่งลดล ะ, ละความตนีลดความแค่ตัวอันนี้เป็นตัวอย่างการทําจิตนะว่าเราทําจิตเนี่ยควรทําควบคู่แบบการทํากิต ควรทำควบคู่แบบการทําความดีไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลก็เหมือนกันเรรักษาศีลนะเราก็ถือโอกาสในการฝึกจิตให้นะลดละความเห็นแก่ตัวเพราะว่าศีลเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดละความโลภความโกรธความหลงเช่นเดียวกับทานเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดกําจัดความตันหนีนี่ถ้เกิดว่าเราวางเราทําจิตไปด้วยในระหว่างที่เรารักษาศีลนะ ไม่ใช่แค่ความอดทนนะแต่ว่าให้เราวางจิตไว้ว่าเออเราทำเนี่ยนะเพื่อฝึกฝนตนไม่ได้ทำเพื่อให้ใครยกย่องไม่ได้ทำเพื่อหน้าตาเพื่อให้ใครสรรเสริญอันนี้ก็เป็นการทำให้การรักษาสิ่งของเราเนี่ยเป็นการทำบุญอย่างแท้จริงและทำให้เกิดความเจริญ นอกจากการให้ทานกัรักษาศีลแล้วแม้แต่เวลาเราทำงานเราทำงานการทำงานก็เป็นหน้าที่ของเราใารที่เราทำงานเนี่ยเราทำด้วยความเพียรด้วยความด้วยความวิริยะอุตสาหะก็อย่าลืมทำจิตไปด้วยเช่นใายที่ทำงานใจเราก็มีสตินะไม่ใช่ว่าทำไปแต่ว่าใจคิดโน่นคิดนี่ขับรถ มาวัดใจก็คิดโน้นคิดนี้อันนี้ก็เรียกว่าทํากิจไม่ทําจิตนะการที่เรามีสติในการทํางานเนี่ยมันช่วยทําให้การทํางานเนี่ยมันได้ผลตามเป้าหมายเพราะว่าใจไม่วอกแวกนะจิตใจก็มุ่งอยู่กับงานนั้นนะเดียวกันก็ทําให้เราไม่เครียดเพราะความเครียดส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการที่เราไป ไปสนใจจดจ่ออยู่กับจุดหมายปลายทางเหมือนกับเราเดินทางมาวัดป่าสุกโตเนี่ยถ้าใจเราคิดถึงแต่ว่าจุดหมายปลายทางคือวัดป่าสุกโตเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยเราจะเดินทางด้วยความเครียดด้วยความร้อนรนนะแต่ถ้าเกิดว่าเร า, าไม่สนใจนะจุดหมายปลายทางเพราะเชื่อว่าถ้ามาถูกถนนถูกเส้นนะแล้วก็ มีสตินะมันถึงแน่แลนะการทํางานเนี่ยอย่าให้เป็นแค่การทํากิจแต่เป็นการทําจิตด้วยไม่เช่นนั้นเนี่ยการทํากิจของเราก็อาจจะไม่สําเร็จนะเพราะว่าจิตใจเนี่ยแสสายหรือไม่นอกจากนั้นก็ยังทําให้เราเครียดนะเครียดกับงานคนสมัยนี้เครียดกับงานมากเพราะว่าทํากิจไม่ทําจิตขณะที่ทําก็ไม่มีสตินะหลายคน ทำกิจ่ช่วยเหลือส่วนรวมเช่นเป็นหมอเป็นพยาบาลนะแต่ทำไปทำไปตัวเองนี่เครียดนะได้แต่ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นแต่ตัวเองเครียดนะบางคนก็เป็นโรคประสาทนะบางคนก็กินไม่ได้นอนไม่หลับนะมีบุคลารกรทางการแพทย์นะที่จำนวนมากที่เครียดจนก็ต้องเข้าไปหาเล่านะเพราะว่าเครียดจัดนะหรือบางคนก็ถึงขั้ตัวตาย ในอเมริกานี่หมอที่เป็นหมอฝึกหัดที่เรียกว่าอินเทอร์นหรือหมอที่จบใหม่ที่เรียกว่าเลซี่เดน resident, นี่ค่ะตัวตายกันเยอะนะปีละสี่ร้อยคนทั้งที่ทำงา น, งนก็ทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ว่าไม่ทำจิตนะก็เลยเครียดเนี่ยและความและการที่ไม่ทำจิตส่วนหนึ่งก็คือการที่นะไม่มีสติอยู่กับงานนะหรือว่าไปคิดถึงแต่จุดหมายปลายทางเวลารักษาคนไข้ก็ มีความหวังดีต่อคนไข้ก็คิดว่าทำไงจะทำให้คนไข้าหายไอความอยากจะให้คนไข้าหายเนี่ยมันก็ทำให้เครียดนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่กับปัจจุบันนะผลจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องข้างหน้าเราทำเต็มที่ถ้าเราทำเต็มที่อย่างนี้เรียกว่าทำทำจิจและถ้าเราทำจิตมันก็ไม่สีเรียสนะ เมื่อทำํำกิจและทําจิตก็กลายเป็นว่าทําเต็มที่แต่ไม่สีเรียดนะมันทําได้นะไม่ใช่ว่าทําเต็มที่แล้วเครียดนะอันนี้ถ้าเราทํางานอย่างมีสตินะเราอยู่กับปัจจุบันปล่อยวางเรื่องอนาคตซะหรือปล่อยวางเรื่องอดีตที่จริงเนี่ยไม่แต่การทําความดีนะแม้แต่การลเล่น uet. เช่นสมมุติวันเล่นฟุตบอลเนี่ยนะเตะลูกโทษหน้าประตู อันนี้เรียกว่าต้องทํากิตและทําจิตด้วยนะเก่งแค่ไหนแต่ว่าใจไปคิดถึงว่าถ้าเตะไม่เข้าทีมเราจะแพ้ถ้าเตะไม่เข้าจะโดนประชาชนโห่คนดูจ ะ, ะเกลียดชังอันนี้ก็ทําให้เตะไม่เข้าได้ก็เกิดขึ้นมาเยอะแล้วหรือไม่ชนนั้นก็ไปคิดว่าเนี่ยเราทีมเราเตะไม่เข้ามาหลายครั้งแล้ว พอคิดแบบนี้เข้าเนี่ยไปก็คือไปคิดถึงอดีตก็ทำให้ประมาททำให้มัม่นใจก็แตะไม่เข้าอันนี้ก็มีการพิสูจนแล้วนะศึกษาวิจัยเพราะว่าทีมที่เตะบอลลูกโทษหน้าประตรูไม่เข้าเนี่ยหลายปีมีโอกาสที่จะแตะไม่เข้าในครั้งต่อไปนะไม่ใช่เพราะมือไม่ถึงฝีมือไม่ให้แต่เพราะว่าใจใจไม่อยู่กับปัจจุบันนะใจไปอยู่กับอดีตที่ เราแพ้อยู่บ่อยๆแต่ไม่เข้าบ่อยๆหรือแม่ก็ไปคิดถึงอนาคตว่าแต่ไม่เข้าจะเป็นอย่างไรอันนี้เรียกว่าไม่ทำจิตนะมันก็เลยเตะไม่เข้ากิจก็เลยไม่สําเร็จนะการทำงานเนี่ยนะอย่าลืมว่ามันเป็นการทำกิจแล้วก็เราต้องทำจิตไปในตัวนะมีสติมีความรู้สึกตัวแล้วก็รวมถึงการปล่อยวางด้วยนะปล่อยวางจุดหมายปลายทางปล่อยวางความสาเร็จ จริงอยู่เราทำเพราะหวังความสําเร็จแต่เมื่อลงมือทําก็ต้องวางความสําเร็จพราะไม่เปเรื่องอนาคตใจเราอยู่กับปัจจุบันนะพวกเราที่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระมาชนกอันนั้นก็เป็นตัวอย่างนะว่าท่านทํากิจแล้วก็ทําจิตไปด้วยเพราะว่าตอนที่ท่านลอยคออยู่กลางทะเลนะไม่เห็นฟังเลยก็ยังไหววันแล้ววันเล่าผ่านไปเจดวันเจดคืน ไม่เห็นฟังก็ยังไหวจนกระทั่ทงนางมณีแม่ขลาถูกพระอินทร์สั่งให้มาช่วยนางมณีเม่ขลาจะมาช่วยพระมาชนกแต่ว่าก่อนจะช่วยก็สงสัยว่าพระมาชนกทำไปเพื่ออะไรนะก็ถามพระมาชนกว่าท่านมองไม่เห็นฟังไหว้น้ามาเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยทำทำไปทำไม พระมาชน ก, ก็ตอว่าพ่อเราเห็นประโยค์ของความเพียรแม้ไม่เห็นฟังเราก็จะไหว้นะท่านไหว้ไปทําไมเพียนไปทําไมเพียรไปก็ตายเปล่านะเพราะว่าไม่เห็นฟังเลยพระมาชนกก็บอกว่าหากว่าจะต้องห า, หากว่าทําความเพียรแล้วต้องตายนะก็ไม่อายนะไม่มีไม่อายเทวดาไม่อายญาติมิตรหรือว่าพ่อแม่ตําหนิไม่ได้นะ และท่านก็บอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเห็นประโยชน์ของความเพียรแล้วแม้แม้ทาไม่สาเร็จนะแต่ประโยชน์แห่งความเพียรก็ย่อมประจักษ์แก่ตนก็คือย่อมเกิดแก่ตนคือท่านเวลาท่านว่ายน้ำกลางทะเลเนี่ยท่านไม่ได้คิดว่าต้องสําเร็จนะถ้าไม่ถึงฝั่งฉันไม่ว่ายนะอันไม่ใช่นะถึงไม่ถึงฉันก็จะว่ายเพราะความเพียรเป็นสิ่งที่ดีในตัวมันเองนะ อันนี้เราว่าเป็นการทํากิจและทําจิตก็คือว่าขณะที่ทําความเพียรอย่างเต็มที่จิตก็ปล่อยวางปล่อยวางความสําเร็จปล่อยวางว่าจะถึงหรือไม่ถึงฝั่งนะแต่ทําก็แล้วกันนะท่านก็เลยประเภทว่าทําเต็มที่ทําให้ซีเรียสนะสุดท้ายนะนางมณีเม่คลาก็เลยต้องมาช่วยนะนะเพราะงั้นเวลาเราเวลาเราทําเวลาเราทําอะไรก็ตามเนี่ยนะขอให้ ทำกิจและทําจิตควบคู่กันไปนะเวลาเจ็บเวลาป่วยการทำกิจคือการรักษารักษาสุขภาพตัวเองนะอันนี้คือการทํากิจเป็นการทําหน้าที่ต่อร่างกายของตัวเพราะว่าเขาเนี่ยนะช่วยเหลือเรานะเป็นเครื่องมือให้เราทำโน่นทํานี่ทําให้เกิดประโยชน์ถึงเวลาเขาเจ็บเขาปว่วยเราก็ต้องดูแลอันนี้คือการทํากิจ แต่ว่าเราก็ทำจิตก็คือปล่อยวางเราลึกว่าร่างกายก็ไม่ใช่ของเรานะหรือว่าร่างกายมันก็ไม่เที่ยงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเจ็บป่วยมันก็เป็นธรรมดานะเน็แลนเมื่อมันไม่ใช่ของเรานะจะทุกข์ไปทำไมระหว่างที่รักษาร่างกายใจก็ไม่ทุกข์หรือว่าแม้บางกรณีรักษาไม่ได้นะใจก็ไม่ทุกข์อยู่นั่นเองนะ อันนี้คือสิ่งที่เราทำได้นะในเวลาเจ็บป่วยเราก็รักษานะดูแลสุขภาพให้ดีแต่ว่าใจเราก็ปล่อยวางไม่ยึดติดนะว่าร่างกายนี้เป็นของเราหรือไม่ยึดติดว่าต้องหายต้องหายเพราะว่าจะหายหรือไม่เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใจของเราไม่ได้ขึ้นอยู่ความปรารถนาของเราแต่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะลุ้นจะอยากยังไงให้หายถ้าเหตุปัจจัยไม่ถึงพรอ้อมมันก็ไม่หาย เตุปัจจัยส่วนนี้นก็เกิดจากการรักษาตัวเองเกิดจากการรักษาของหมอนะแต่ว่ามันจะหายหรือไม่นะมันไม่อยู่ในอำนาจของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปเครียดนะจะไปยึดไปอยากมันก็ไม่เกิดประโยชน์แถมทําให้เกิดทุกข์ด้วยทํามาริการเวลามีปัญหาแล้วก็แก้ไปปัญหาที่บ้านปัญหาที่ทํางานอันนี้คือการทํากิจแก้ปัญหา มีการทะเลาะเบาแหวงกันนะล้วก็ช่วยกันสมานใหมต่ตีหรือว่าช่วยระงับความขัดแยง้งถ้าปัญหาเกิดจากเราด้วยเรามีส่วนร่วมด้วยเราก็อาจจะไปขอโทษหรือว่าปรับปรุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้เรียกว่าเป็นการทํากิจนะส่วนทํากิจก็ต้องทํำนะก็คือว่าไม่ทุกไปกับมันปัญหามีก็แก้กันไปแต่ไม่ต้องกลุ่มแต่ที่มีพระมีภาษาสำนวน ว, นว่าปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ้มนะนะ การแก้ปัญหาคือการทํากิจส่วนการที่ทําใจไม่กลุ่มก็คือการทําจิตไม่กลุ่มเพราะปล่อยวางเพราะไม่กลุ่มเพราะไม่ยึดไม่ไมยึดติดในความคาดหวังคือทําได้ก็ดีแก้ปัญหาได้ก็ดีแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะให้เราฝึกการทําจิตอย่างนี้ด้วยนะให้มีสติมีความรู้สึกตัวแล้วก็รู้จักปล่อยวางปล่อยวางนี่ไม่ใช่ปล่อยไม่ใช่ปล่อยเพราะว่าไม่มีเหตุผลนะแต่เราปล่อยเพราะเรามีปัญญาเห็นว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรานะมันไม่ใช่ของเราด้วยซ้ำนะเราไปยึดไปอ ย, อยากอย่างไรให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปตามหน้าของเราดื้อไปอยากไปใจก็ทุกเป่เปล่ า, านะก็ปล่อยวางแต่ว่ายังทำอยู่นะมีหน้าที่มีกิจอะไรก็ทำปล่อยวางนี่คือการปล่อยที่ใจไม่ได้แปลว่าปล่อยปากละเลยปล่อยปากละเลยคือไม่ทากิจ นะมีลูกก็ไม่ดูแลลูกอันนี้เรียกาไม่ทำกิดมีลูกก็ต้องดูแลใจใสแต่ว่าอย่าลืมทำจิตด้วยนะให้เราลึกว่าเออลูกก็ไม่ใช่ของเรานะจะไปจะไปยึดไปอยากยังไงเขาก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปาตามที่เราอยากเมื่อต้นปีนี้ก็มีเพื่อนนะเพื่อนอของอาตมานะร่วม ก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับนะคุณหมอวัสั์ด้วยนะเพราะว่าเราเป็นนักเรียนสํมชัญด้วยกันมาตั้งแต่เมื่อห้าสิบปีที่แล้วแล้วก็มาเจอเพื่อนคนนี้เนี่ยในงานศพของพ่อเพื่อนแล้วเพื่อนคนนี้ก็มามาบอกขอบคุณขอบคุณเรื่องอะไรก็บอกว่าเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีความเครียดมากเพื่อนคนนี้เป็นนักธุรกิจนักธุรกิจระดับเรียกว่าเคยจัางานระดับ พันล้านมาแล้วนะตอนนี้ไม่รู้ว่ายังเป็นกธุรกิจใหญ่อยู่หรือเปล่าเป็นคนเกง่งเป็นคนฉลาดเป็นคนขยนันแต่เครียดเรื่องลูกลูกเป็นวัยรุ่นนะลูกนี่ก็ไม่ค่อยขยันเหมือนพ่อพ่อก็เคี่ยวเข็นแต่ลูกก็ไม่ค่อยทําตามแล้วเกิดความเครียดขึ้นมาระหว่างพ่อกับลูกวันหนึ่งก็ได้มาฟังคําบรรยายของตมา นะที่นี่ที่สุกโต ต, ตามาก็พูดถึงเรื่องว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนะแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราสั่งก็ไม่ได้ลูกก็เช่นเดียวกันลูกก็ไม่ใช่ของเราเราเลี้ยงได้อย่างมากก็เลี้ยงแต่ตัวแต่ใจเนี่ยเราเลี้ยงไม่ได้สอนได้แนะนําได้แต่ว่าเขาจะเชื่อหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขานะเขาได้ฟังเขาก็ได้ความคิดหรือว่าได้สติขึ้นมา เขาก็พบว่าเนี่ยที่เขาเครียดนี่ยเพราะว่าเขายึดมั่นถือมั่นกับลูกมากเขาคิดตลอดไปนะลูกของเราลูกของเรามันต้องดีเท่าเราต้องดีเหมือนเราไอเครียดนะพอได้ฟังคําพดอทธมากแกก็เลยปล่อยวางนะวางทําใจซะว่าลูกไม่ใช่ของเราแต่ก็ยังดูวลาจอยใส่นะแล้ววันหนึ่งเนี่ยผ่านไปสองสมเดือนเนี่ยลูกก็บอกกับพ่อว่าพ่อเปลี่ยนไปนะที่ผ่านมาเนี่ย พอเดี๋ยวนี้พ่อเนี่ยฟังลูกมากขึ้นนะและลูกเนี่ยก็เลยนะอ่ามีความสำ ม, มั่นที่ดีกับพ่อเพื่อตำานนี่ก็แปลกใจนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะนอกจากว่าอาปล่อยวางว่าเ อ, อลูกก็มไม่ใช่ของเรานะแต่ว่าเขาก็ยังดูแลใจใสลูกเหมือนเดิ ม, มก็เรียกว่าเขาทํากิจแล้วก็ทําจิตด้วยประกอบว่า มันมีผลทําให้ลูกเนี่ยรู้สึกดีขึ้นลูกเชื่อฟังเขามากขึ้นนะเพราะลูกเนี่ยรู้สึกว่าพ่อฟังเขาพอพ่อฟังเขาเขาก็ฟังพ่อนะเขาเองก็เครียดน้อยลงความสัมพันธ์กับลูกก็ดีขึ้นเขาก็เลยมาขอบคุณนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าคนเราเนี่ยนะแม้กระทั่งการเลี้ยงลูกเนี่ยมันก็ต้องใช้ทั้งการทํากิจและการทําจิตนะเอาใจใส่ดูแลเขาแต่ก็ต้องทําจิตปล่อยวางนะ ปล่อยวางอย่างที่ย้ําว่ามันไม่ใช่เป็นการปล่อยปละละเลยปล่อยปละละเลยคือไม่ทําจิตแต่ปล่อยวางหมายถึงการทําจิตนะให้เราเนี่ยลองฝึกแบบนี้ไปนะในการทํางานในชีวิตประจําวันแล้วเราก็จะอาจจะพบว่านะความสุขก็มีมากขึ้นการทํางานก็กลับจะประสบผลได้ดีด้วยเพราะว่าเราทําโดยไม่เครียดนะการทํางานก็มีคุณภาพมากขึ้นนะอันนี้แหละก็คือความหมายของทำนะ ซึ่งอาศัยสามัคคีธรรมเนี่ยเป็นตัวเป็นสภาพแวดล้อมที่คอยส่งเสริมให้เราทําดีทั้งในความหมายที่เป็นการทํากิจและทําจิตและถ้าเราทําทํากิจและทําจิตได้ดีนะพอถึงเวลาที่สิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้คนรอบข้างไม่สามคัคคีกันเราก็ไม่ทุกข์ละนะทีแรกเราต้องอาศัยความสามคัคคีเนี่ยส่งเสริมให้ การปฏิบัติธรรมของเราก้าวหน้าพอเราก้าว้าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะข้างนอกจะเป็นอย่างไรนะใจเราก็ไม่ทุกข์ละเพราะว่าเราไม่เอาใจไปผูกติดไว้กับสิ่งแวดล้อมภายนอกเรารู้จักยกจิตให้เป็นอิสระจากสิ่งภายนอกใครก็จะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ยังตั้งหน้าตั้งตาทำความดีเรารู้จักปล่อยรู้จักวางได้ไม่ทุกข์ไปกับสิ่งแวดล้อมนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็น เป็นพัฒนาการนะที่คนเราควรจะไปถึงผู้เจ้าเปรียดจิตของคนที่ไม่เป็นทุกข์เพราะสิ่งแวดลอ้อมว่าเหมือนกับดอกบัวแม้แม้ฝนจะหยดลงมาก็ไม่แปดเปื้อนนะห ย, ยดน้ำนั้นหยดน้านั้นก็ไม่ติดดอกบัวหรือกลีบบัวหรือใบบัวนะความทุกข์ก็ไม่สามารถจะามาฉาบทาจิตใจได้ นะเพราะว่าจิตเป็นอิสระอันนี้เพราะการทำจิตนะครับควบคู่ไปการทาจิตก็เขาฝากเอาไว้นะในการในการที่พวกเรามาทำบุญอทอดกระถินในวันนี้นะให้เราได้ตระหนักว่าการทอดการทอดกระถินเนี่ยนะสาระสาคัญเนี่ยก็คือการส่งเสริมสมครีธรรมโดยมีผ้าเนี่ยเป็นเป็นสื่อเป็นอุ ป, ปกรณ์นะส่วนเรื่องเองินทองนั้นก็เป็นส่วนประกอบ อย่าไปให้ความสําคัญกับเงินนะจนลืมคุณค่าวความหมายของของการทอดกระถินที่แท้จริงก็คือสามัคคีเพื่อส่งเสริมธรรมและส่งเสริมธรรมในที่ว่าคือการปฏิบัติธรรมทั้งทำกิจและทำจิตนะซึ่งก็จะทําให้เราได้เกิดประโยชน์นะและสามารถที่จะทําทประโยชน์ทำํำคุณค่าให้เกิดกับผู้อื่นได้ด้วยเรียกว่าได้ทั้งประโยชน์ตนนะแล้วก็ประโยชน์ท่าน สําสหรับหลายท่านนะที่วันนี้นะก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสม า, าได้ถวายทานแต่ว่าหลายท่านก็ได้ทำในรูปอื่นนะเช่นการมาเปิดโรงทานนะอันนี้ก็เรียกว่ า, าให้ทั้งทานแล้วก็ให้ทั้งแรงกายนะก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันนะถือว่ามีส่วนร่วมในการทําบุญในการทอดกระถิง่งครั้งนี้หรือแม้แต่ไม่ได้ ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยแต่แค่อนุมโมทนานะแค่มีจิตอนุมโมทนานี่ก็ถือว่าได้บุญนะอนุมโมทนาบุญชนิดนี้เรียกว่าปัตตานุมโมทนาใหม่คือบุญที่เกิดจากการอนุมโมทนาในความดีของผู้อื่นนะถึงแม้ไม่ได้ถวายผ้าด้วยตัวเองนะแต่ร่วมอนุมโมทนาผู้ที่ถวายก็ได้บุญแต่พคิดว่าตัวเองไม่ได้ถวายผ้าแล้วจะได้บุญหรือเปล่านะได้แน่นอนนะถ้าใจสัตมีศรัทธาเต็มร้อยนะ ก็ได้บุญเต็มร้อยเหมือนกันท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณนะท่านเจ้าภาพาทั้งที่ได้เอ่ยนามมาตั้งตอนตอน้ตนแล้วก็ไม่ได้เอ่ยเอยนามทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ที่บ้านที่ได้ส่งปัจจัยมาขออ้างคุณพระสิริณัไตรอํานวยอวยพรให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวันณาสุขาภละเพื่อเป็นพระปัจจัยในการทาความดีงามให้ถึงพร้อม ทั้งทานศีและภาวนาให้เข้าถึงทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะคืออยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยไกลทุกข์และสามารถเกื้อกูลผื่นให้มีความสุขขอให้มีปัญญาเห็นธรรมสามารถพาจิตออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเสษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทอญ